ฟังเทศที่จะให้ได้ความเป็นของลึกแลบละเอียดอยู่ถ้าฟังเทศไม่เป็นก็จะได้ได้เพียงเปลือกขึ้นตื่นถ้าฟังเทศเป็นทำใจให้สงบเพราะธรรมะเป็นของสงบ ทำใจให้หยุดนิ่งจึงจะรู้เรื่องในการฟังธรรมเทศนาให้ตั้งใจฟังโดยเฉพาะแต่ยาจะไม่ให้จิตผูกสาดถึงส่งไปตามกระแสเทศนานั้นขพอให้ควบคุมอยู่ เนี่ยให้ส่งไปในเรื่องอื่นนั้นได้จะแได้ความฟังเขาเะว่าฟังไม่สนใจไม่เหาใจใส่ได้หรอคำพูดคำใช้เล็น้อยเอาไปพูดต่อไปก็ได้แต่ไม่เข้าถึงใจพุทธศาสนา นี่สอนเข้าใจเพราะใจนั้นเป็นที่เป็นบ่อเกิดของกิเลสและบ่อเกิดของบุญกุศลต่างๆเป็นบ่อเกิดของกิเลสบ่อกุศลต่างๆยึงหากจะบริสุทธิ์ก็ บ, บริสุทธิ์ที่ตรงใจนั้นเหตุอื่นไกลไม่ใช่ ที่ไหนส่ไหนก็ไปถึกรวมลงที่ใจแห่งเดียวจะพูดถึงเรื่องการปฏิบัติซึ่งสมัยเดือนนี้มีข่านาจารย์หลายท่านหลายองสอ น, ปนแปลกต่างๆใ้เรื่องหลายอย่าง ในความอนุมานเอาก็มี่นง ว, วามเข้าใจตนเองก็มีโดยคิดนึกสงไปคิดกรองไปแล้วก็เอาความคิดของกรองตนนั้นนหละมาสั่งสอนอบรมคนอื่นต่อไปก็มีไม่เข้าถึง แกนสารของพุทธศาสนาถ้าพูดทั้งเรื่องแกนสารของพุทธศาสนาแล้วไม่หนีจากหลักคือตัวใจเห็นนั้นการสอนอบรมทั้งหลายทั้งหมดที่สั่งสอนไปมากมาย ถ้าจะถลูบรวมใจควมแล้วก็ไม่หนีจากใจแต่เขาจับใจไม่ถูกท่านผู้สอนทั้งหลายจับใจไม่ถูกสอนลรงที่ใจเนี่ยจะจับใจยังไม่ทันถูก็นสอนมากมายถ้าจะใจถูกจุดนั้นแหละ ไม่มีมากอะไทำทั้งหลายลงส่วนเดียวมดจะหัดภาวนาเรื่องพุโทโธก็ดีเรื่องสัมมาระหังก็ดีเรื่องยุบน้อคล่องน้อก็ดีบางคนก็ไม่ต้องทำอะไรทั้งหมดปล่อยวางเฉยๆนั่นก็ดี หมายความถึงอบรมสติอันเดียวถ้าตั้งสติอบรมใจอันเดียวเมื่อรวมเป็นอบรมสติให้ตั้งสติอบรมจิตอันเดียวแนว่วแน่อยู่กับไอ้ลมไอ้จิตอันนั้นแนว่วแน่อยู่กับสติ บคุมมาอยู่เพียงแค่นั้นแล้วมันจะรวมลงกัาไปเป็นใจคือผู้รู้สึกแต่ไม่นึกไม่คิดใจนี่นคือผู้นึกผู้คิดในจิตนี่นคือผู้นึกผู้คิดแต่ใจนี่ไม่มีนึกคิดมีแต่คนคุมรู้เฉยๆจะรวมเพียงแห่งเดียว คำข้อนั้นจะถูกไหมถูกตามคาสอนของพระเจ้าไหมถูกรับรองว่าถูกทีเดียวตอนพระพุทธ อ, องค์จะนิพพานท่านบอกประมาเดนะตั้งปราริธะภิกษุทั้งหลายจงแกะความมาประมาทให้เต็มพ่อถออ เมปรมามันก็คือมีสตินั่นเองการที่มีสติเป็นผู้ไม่ประมาณอยู่ทุกขณะวยญยาบุธสติเรีกลายเป็นมหาสติประธานท่านพูดถึงสติประธานสี่กายเวทนาจิตธรรม าการของรักษาสติไม่หนีจากสีก่กายที่รูปกายที่เวทนาก็คือกายนี่แหละไม่ใช่เวทนาแล้วจะเกิดจากอื่นกับกายเกิดจากกายนี่แหละจิตกระทุดพูดตั้งสติกำหนดจิตนั่นแหละอันนั้นแหละเป็นทับรั้ว ม, มึงเป็นอันเดียวกัน แต่ผู้แย่อ้กไปเป็นอาการนั่นยัว่าถูกตามหลักทำคำสอนของพุทธเจ้าแต่ว่าสอนแต่หลายเรื่องหลายอย่างอธิบายไม่มากแตกต่างกับผู้ที่ไม่ได้ศึกษาแล้วเรียนผู้ที่ไม่รู้ก็ตื่นเต้นไปงงไป แต่คุปไปเห็นเงาตางไหนก็แต่คุปไปแต่คุบเงาไม่ได้ตัวอันถ้าหากว่จับตัวแล้วเงามั้ก็อยู่ที่เหมือนกับเราวิ่งตามเงาเลยวิ่งไวซะแล้วก็ยิ่งวิ่งเร็วซะไล้วก็ยิ่งเร็ว เรายืนอยู่จับตัวมันได้แล้วเงอะมันเลยยืนมันอยู่คงที่ถ้าเราจับจิตตรงนี้แล้ว<ม>เป็นปัจจุ บ, บันอยู่รู้อยู่เฉพาะปัจจุ บ, จ บ, บันมันจะมีไหนเรื่องอื่นมันมีนมไรความโลภความโกรธความหลงลมันได้ไหม แอมีความรักควโกรธนะแตมีความรักควโกรธควมงรมันอยู่เฉยๆท่นจับใจได้แล้วโลกโกลงหายไปไหนไม่ไท่านจับใจไม่อยู่ใจนั่นแะเป็นภูสังความโกลงโกรธควมหลงความรักเวามชัง เกียรติโกรต่างๆใจให้เป็นคนสั่งพุทธศาสนายัางว่ารวมลงที่ใจอันเดียวพูดมากไปเถอะพูดไปเท่าไรก็พูดไปเถอะ พ, พูดอาการของใจทั้งนั้นคืออาการของใจได้กค่จิต งานคนนั่นก็ต้องการเอี่ยจะเรียนรู้ต่างๆมากมายรู้แล้วจึงจะปฏิบัติถ้าไม่รู้จะปฏิบัติได้ยังไงเรียนรู้แล้วแทนที่จะปฏิบัติกล้าวไม่ปฏิบัติจ้เรียนได้ยังไม่มีการปฏิบัติ การที่ฟังนี่เรียกว่าเรียนฟังแล้วทําตามเรียกว่าปฏิบัติเอาเลยตรงนี้เล็กเนี่ยได้จินสงสัยหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วยังปฏิบัติชินสงสัยแลว้วไม่ต้องปฏิบัติมาสมัยหนึ่งซึ่งพระผู้ใหญ่ท่านสอนกัน มหาบัณทิตนั่นแหละที่เรียนจบปีหนย่กแปดปีหนยกเก้านั่นแหละสําเร็จพระนิพพานถ้าไก่วิโดกิจบดผลนั้นเลยเรียกว่าสําเร็จแล้วแล้วสําเร็จอะไรไม่รู้เรื่องไม่รู เรียนแต่กยิงสงสัยง่ัวของททางมีแต่เรื่องสมจะเรื่องสายไปมันไม่หยุดยัง้งให้พระพุทธเจ้าทรมาถาถ้าธาตุทำคำสฟังพื่อเจ้าแล้วหยุดทันทีทันทีคิดอะไรพิจารณาได้หยุดงด มันรวมลงหมดเลยเรียนตามโลกเรียกว่าสงสัยไปตามโลกอันนี้ดีสินสุดเรียกว่าโลกมันวงกลมมันหมุนรอบตัวเรียนไป ที่เจรนาไปคนคว้าไปโลก้องเก่านั่นเนี่ยจะลงไงลกกลงหนโลกโกลลหของเก่านั่นโลกกระทำกับของเก่ า, า, ามีนาเสิมนาเมียดเสริมยดฉนนึกเจดินทาง มันลงของเก่านะไม่ไค้นจากนั้นไปเกิดในกลางมะพบกลางมะลุกลก็จะวนเวียนอยู่ในกลามามันจะแบบไอ้คนคนนี้ค่อยมาสร้างภพสร้างชาติมาเกิด อ, อยู่นี่ไหมนี่ที่สิ้นที่สุดก็เพราะมันอยู่ในกาาลางมะลุกกลางมะบมันวนเวียนอยู่นี่ เกิดมาแก่เฒ่าชราตายเป็นหนุ่มเกิดมาอีกเป็นหนุ่มเป็นสาวเกิดขึ้นมาแล้วแก่เฒ่าชราตายเป็นหนุ่มอีกเป็นเด็กอันนี้เป็นหนุ่มมาอีกอันนี้มันเวียนนีงความคิดก่าของเก่าไม่หนอไม่นอกเหนือจากโลกนี้ไปไหน ทำคำสองเอาไปได้เจ้าคิดไปรวมลงได้รวมลงอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีสาระแกนสาระมหมดหมดเรื่องหมดราวอนัตตาไม่มีสาระอนัตตาไม่ใช่ไม่มีตัวตนมีตัวตนอยู่อนัตตาถ้ามีตัวตนเรียกว่าอนัตตาได้ไ ที่ไม่เป็นอนัตตาเพราะเหตุมันมีสาระอย่างตัวเราหาสาระไม่ได้พอไม่ได้สอนเลยฟังแก่เท่าชราไปสมุทตุส่งไปเปลื่อยเน่าเป็นดินงน้ำไปเลยเป็นสภาพเดิมของมันสภาพของเดิมมันเป็นยังไงมันก็เป็นไปยังไง มันปรุงมันแต่งขึ้นมาสภาพมันนะมันแ ต, แต่งเป็นลูปเป็นแบบล่านเป็นหญิงเปชายไปนหนุ่มเป็แก่ไอ้พจนิสวรรค์สภาพตามเดิมนั้นยังเป็นอยู่อย่างนั้นเรียกว่าอนัตตามันลงจุดนี้มันรวมลงจุดนี้เกียวกัคิดไปไม่มีทางไป มันสรุปรวมได้อย่างนี้ของจริงเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่าเรียนของจริงค้นคว้าหาของจริงถ้าอยู่เป็นอะไรก็เป็นไปทั้งรวมๆของจริงของเขาทิผู้ตังของเปิดยู่อย่างนั้นไม่ใช่ของใครทั้งนั้น ดินแล้วพงเป็นนิยอย่างนั้นถ้ากามีิติญาณังความรู้ก็เป็นอยู่อย่างนั้นรู้ของเป็นจริงนี่ว่าธิญาณังรู้ของเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นนะใครจะว่าไงนะครับใครจะว่าได้ต่อไป มันไม่มีอันว่ามันมีเงี้ยพูดพูดแล้วกพูดของเก่ามัานพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ถ้ายังเชื่อมันแระครั้งสอนเขาโอ้โหลงอันเดียว ลงที่จิตอันเดียวเป็นสมุดสัญญาติว่าเรื่องทั้งหลายนะั้นมารวมอิสติสเดียวหมดจิตตัวนี่ที่มันแผ่ขยายพุ่งวผ่องไปของไป้ปออกจากนี้ทั้งนั้นสร้างบ้านสร้างเรือสร้างวัดสร้างวัดสร้างไรสร้างนาทั้งเลือกสั้งส่วน ทัานทาผูนี้ไม่มีแล้วมันจะทําไม่ได้ผู้นี้มีใช่ไหมครับทาได้หมด้าผู้นี้หมดแล้วครบหมดเรื่องนั้นทิ้งหมดของมันทิ้งเหมือนกันกับของคนี้สร้างตนสร้างตัวสร้างสภาพร่างกายขึ้นมาเพราะผู้นี้แหละเป็นคนสร้าง สรงตัวนี้เกิดขึ้นมาแล้วสร้างออื่นต่อไปเมื่อตัวนี้มันหมดแล้วก็มันหมดสภาพมันอยู่ไม่ได้ก็แตกสลายไปของมันก็หมดอยู่คงที่ที่ทํามากหมายเร่องหลายนร่ออันนี้ก็ว่าของเราของเราพอตัวนี้ดับเท่านั้นหมดเรื่อง เอาที่นี่ถลายไปว่ารักวัดเลือกทําคําสอนพระพุเจ้สอนอย่างนี้ให้เข้าใจรู้จริงของจริงอย่างนี้ตามไปจริงอย่างนั้นพระพุทธเจ้าสอนของจริงไม่ใช่ไหมสอนของของไม่จริงสอนของจริง แต่เราไม่เห็นจริงตามพระพุทธเจ้าแต่เราไม่เห็นจริงต่ า, ต า, ตามคงสองขอ ง, ง, งพระองค์จึงพาตั้งหลงมันงหมายอยู่นรื่อยไ ใจให้สบายสบายอย่าไปกดแตเกรงมันวางลงไปเฉยๆวา ง, งตรงกลางน่ะไม่ใช่กลางทําอกไม่ใช่กลางที่ไหนมันไม่มีหรอกไม่มีอกออกไม่มีตรงนั้นตรงนี้อะไรดอกใจวางเฉยๆมันหักลงเองมันหะ เอาไว้ตรงกลางนัง่นคำว่ากลางนงที่นี่นั้นคนดีก็ไม่เอาคนชั่วก็ไม่เอาหยาบละเอียดก็ไม่เอาความโลภความโกรธความหลงไม่เอาทั้งนั้นทานหาไว้เจ้สมมุตริกกรักตัวทางหนึ่งชังอีกทางหนึ่ ง, งได้ไว้ตรง ก, กลางนัง่นแะไม่ใช่กลางทาอกกลางแค่ก็ ต, ตายมันเถอะ มันอยู่ตรงกลางแล้วอันนั้นเอา น, นั่นนะทำใจให้สบายสบายถ้าหากมันไม่อยู่จับตรงนั้นไปแล้วถ้าหากไม่ยึนึกพุโทโธคำวิริกรรมพุโทโธหรืออนาฟาสติก็ได้มันอยู่เพื่อเป็นจุดหมาย มันอยู่ขอรู้มันไม่อยู่ขอให้เข้าใจว่ามันไม่อยู่แล้วจะได้ดึงเข้ามาไว้ตรงนั้นน่ะถ้ามีจุดหมายมันนีก็ไม่รู้มันอยู่ก็ไม่เข้าใจเอาความกลางนะ่ะตั้งจดจ่อตรงนั้นน่ะสติอุ ดูแลรักษาคุมระวังผู้ที่ได้เห็นนั่นมันอยู่หรือไม่อยู่นั่นเรียกว่าสติระวังอยงู่นั่นสติคุมอยู่นั่นแหละเอาตัว น, นั้นใช้ก่อน้อนมั่นแน่วแน่นเลยก่อนถ้ามั่นแน่วแน่ตรงอันเดียวแล้วอยู่ในที่เดียวแล้ว มันจะปล่อยวางเองลืมหายไปไหนไม่ได้ภูโถหรืออาไรหรันอะไรไอ้หรือภูตโถหรืออนาปาา่าสติอย่าไปจับมาอีกภาูโถเลยอนาป่าสติมันปล่อยวางเลยมันสงบนิ่งแนวแ่วเลยให้มองดูกูนะั่นแนละถ้าหากว่ามองดูอยู่นา น, าน มันจะค่อยคลายออกมาคลายไปทางดีก็ดีคลายไปทางชั่วก็ดีรู้ตัวในขณะนั้นนันยาไม่เอกรู้ตัวในขณะนั้นให้ดูเท่านี้เสียก่อนนั่นเรียกว่าปัญญารู้ตัวนั่นะดีก็รู้คนอื่น เห็นตัวนั่นแหดีกว่เห็นคนเห็นท่านพาะสวรรค์เห็นเทพปฏิตามันผมไม่เป็นประโยชน์ท่นเห็นเรานี่มีประโยชน์มากแก้ไขตัวขอเรานี้ยมีประโยชน์มากเห็นเทพพระบูทเทพดาพูดดีทีษษ่สุดไม่ได่มาแก้ให้เราเหรอ เราเห็นเราเราแก้เราเองเทพพระพุทธเทพพระยุตได้อินทรพงศ์เราก<ม>็<ม>าจะมาอยู่เมืองมนุษย์นี่แหละนทานอาหารกับมนุษย์นี่แหละอยู่กินกับมนุษย์นี่แหละตายกับตายในมนุษย์เนี่ยไม่ได้ไปสวรรค์แะไม่ได้ไปเห็นอินทรพงศไม่ได้ไปอยู่กับเขาหรอก คนเอามักปักไฟแต่ของไม่มีของมีอยู่ไม่เอานั่นหมายถึงไม่ได้ดิีได้ดีก็เขาของที่มีอยู่ตัวของเรามีอยู่เห็นอยู่นี่ไม่เอาคนเรากันเอาตรงนี้ต้องจะดีหมดทั้งทีถึงมาดีก็ค่อย ไม่ดีจริงๆอค่อยดีขึ้นมาหน่อยค่อยรู้ตัวขึ้นมาหน่อยมองดูใจของเรามองดูจิตของเราเห็นจิตดีชั่วยากละเอียดเลยมาทั้งเห็นเราชนะนาเขาลุกตรงนั้นเนี่นั้นจริงไหนพาก็ ดูจิตของตนให้วางจิตตรงอย่างจิต ก, กลางๆนี้อะไรก่อนข้างกลางไม่เอาเดียวชั่วหนาไปให้มีหนาตัวข้างหนึ่งละเอียดตัวข้างหนึ่งสมมติว่าชั่วแบบทั้งทั้งทั้งซ้ายนะเดียวทั้งขวาเนตั้งใจตร ง, งกลางหนึ่งแล้วเอาพุทโธไปใส่ตรงนั้น เอาวันนั้นไปใส่พุทโ ธ, ธ, ธ, ธให้มองดูตรงนั้นนะ